การสัมผัสกับสติไม่ใช่ฟังคิดเราก็ไม่ได้ต้องสัมผัสต้องทำต้องประกอบขึ้นมานี่เพราะฉะนั้ น, นให้กันไม่ได้แบ่งกันไม่ได้อริยทรัพย์แท้ๆเนี่ยเอาให้กันไม่ได้รเอวเองรเอวเองเห็นเราเองเป็นของเราเองสัมผัสเราเอง ให้ทุกคนได้สัมผัสกับตัวสติมาอยู่วัดคืนหนึ่งวันหนึ่งคืนน่ขอให้พิเศษส ง, งวนรักษาทรงเอาไว้ประคองเอาไว้จะให้มันหลุดมันหล่น <c oughs> สำคัญอยู่ที่การรักษาก <c oughs> ารหาน่มันอาจจะง่ายแต่ เ, เรามีทรัพย์เนี่ยการหาทรัพย์อาจจะง่าย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 เดินไ ว, ไว้ๆเดินช้าๆแล้วแต่ก็ลองดูมันมีศิละปะของใครของมันอยู่แต่อาจจะไม่แปลกไม่เพี้ยนไปมากอาจจะคล้ายคลึงกันเพราะคนเราก็มีส่วนคล้ายคลึงกันอยู่ทั้งกายทาั้งจิตทั้งใจอิเล็กบทต่างๆความรอ้อนความห น, นาวนั่งนานๆก็รู้สึกปวดเมื่อยเหมือนกัน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 การหัดแช้หัดไขหัดเปลี่ยนแปลงนเรียกว่าปฏิบัติเรียกว่ า, วาภาวนาให้แ น, นั่งหลับหูหลับตาอยู่เมื่อใดที่มันคุ้นคิดขึ้นมาก็คุ้นคิดอยู่เช่นนั้นโยกับความคุ้นคิดเป็นนั่งหลังกดหลังงอเป็นวันเป็นเท่าไหร่มันก็ไม่มีประโยชน์แมันคุ้นคิดขึ้นมาก็แก้เลยไม่คิดก็ได้มีสติ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 ง่ายแล้วยง่ายที่จะไม่ทุกข์เลยง่ายที่จะไม่โกรธง่ายที่จะไม่ตกกังวลเลยมันคล่องในทางนี้เพราะมันหัดออกหัดหลุดหัดพ้นไปง่ายที่สุดถ้าไม่หัดมันก็ไม่เป็นกันหลอกมันก็ดุก็ไล่โทสะจริตปางพุทธจริตปางราคะจริตปางบางทีก็จําเป็นจําเป็น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 ควายไปขายเอาเงินไปซื้อเหล้ากินนั่นหลงก็หลงมากมากจนลืมอะไรทั้งหมด